นี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าการให้ทานกับการลบเนี่ยมันเสมอกันมันเสมอกันนะก็มันเสม อ, อยังไงบอกว่าในสนามลบเมื่อบคุคคลจะต่อสู้อ่ะต้องถ้ารักษาต่อสู้ด้วยรักษาชีวิตด้วยการลบไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้คือย่านยังอะไรอวันชีวิตอยู่เนี่ยไม่กล้าลบต่อเมื่อบคุคคลนั้นไม่ห่วงไม่ห่วงไม่เสียดายชีวิตแล้วจึงกระทําการลบได้ชั้นใดบคุคคล จะเก็บทรัพย์ไว้ด้วยแล้วก็จะให้ทานด้วยเช่นว่าจะจะเอาทรัพย์ไว้อย่างนี้จะไม่สลัดรัพย์แล้วแต่จะให้ทานเนี่ยมันให้ไม่ได้จิตเนี่ยนะไอคยไอความตนหนีเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเอกในเอกษาดกพรามที่ว่าท่านไปฟังธรรมโยบุรุษเจ้ า, ท, าที่มีผ้าผ้าห่มผืนเดียวที่ว่าตอน กลางคืนตัวเองก็ออกไปฟังธรรมได้ตอนกลางวันก็ภรระยาะออกจากบ้าน ว, วนิ่ตลเนียนะนี่ก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะมีผ้าห่มอยู่อยู่แค่ผืนเดียวก็ใช้สลับกันเงี้ยี่พอไปฟังธรรมพระบรมศาด า, าก็แสดงธรรมในขณะที่เกิดฟังธรรมอยู่นั้นศรัทธาท่านก็เกิดห น, หนึ่งส่วนแต่ตัวมัชชริยะคือความตณีก็เกิดมารุมเล่าพันส่วนนไหม อย่าลืมในะสภาพของกุศลธรรมเนะี่ยกุศลแจิตคือจิตที่คิดจะให้เป็นต้นเหานี้มีกําลังนะไม่แค่มีไม่มีกําลังเกิดหนึ่งส่วนเนะี่ยต้องอาศัยตัวมัจฉริยะพันส่วนนะักชาติหลุดได้งั้นคนที่มีมีมัจฉริยะอย่างเหนียวแน่นอย่างอย่างเหนียวแน่นเนะี่ยไม่เพราะว่ามันเกิดบอ่อยอกุศลจริงจริ ง, รงมันทุเลาพลนะี่ยมไม่ค่อยมีกําลังนะแต่อาศัยเกิดบ่อยบ่อยบอยบ่อย บ, อ ย, บ, อ, ยบ อ, ยอย่างต่อเนื่องเลยดูเหมือนมีกำลัง ศรัทธาที่เกิดครั้งเดียวนี่เนะีต้องอาศัยอกุศลคอยดึงกระชากกลับลงมาเนี่ยพันส่วนก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยในปฐมายามก็ไม่กล้าสละผ้าหมในทุติยายามมัชชิมายามก็ไม่กล้าสละพระาหมจนถึงปัตชิมายามถึงกล้าสละเพราสละเบีเศท่านที่อุทธานออกมาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นแหละเสมอโดยการลบการให้ทานกันกนบการล่มเสมอกันอันนี้แปลว่าคนเข้าใจจริงๆนะเข้าใจกิเลสแล้วสละต่อสู้กับกิเลสได้นะถ้าให้ของที่ กิเลสไม่เกาะติดมันก็อีกเรื่องนะถ้าเราต้องการอยากจะชนะกิเลสจริงๆอันไหนที่กิเลสห่วงที่สุดสละสิ่งนั้นนะเดี๋ยวบอกโอ้ที่รักที่สุดก็คือภรรยาไอ้ทอม <laughs> พอตอนนี้ยังไม่เคยกล้าสละเดี๋ยวให้หน้าตาเปลี่ยนแปลงกว่านี้ถึงจะกล้าสละอย่างเงี้ยก็เก่งยิ่งยุงเลยใช่ไหมถ้าความดีหมดไปเมื่อไหร่จะกล้าสละอย่างนั้นไม่เป็นทานทานจริงๆก็ให้ของดีให้ของดีไม่ใช่ให้ของไม่ดี การให้ทานน่ะสำเร็จลงไม่ได้ต่อเมื่อบุคคลไม่หวงทรัพย์ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นการรบและการให้ทานจึงมีผลเยังเสมอกันกิติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานก็กระจรไปในตัวอย่างตรงนี้ก็คือคุณความดีนดั่นเองเช่นในมหาโควินทสูต ร, รมหาโควินทพรามนั่นเองเนี่ยพระเจ้าประทรับที่เขาทิชกูดที่กรุงราชคฤห์บทของคนทันชื่อว่าปัญจสิกขาเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องที่ได้พบเห็นจาก เเ้าดาชันดาวดึงเออพอพูดถึ ง, งาากรุงราชคลื่นเนี่ยนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารให้สังเกตุโดยนัว่าการทํางานเนี่ยนะเอามาให้ให้ทัศนาให้มุมมองอุบาสกบาซิกาของพระพุทธวิภาคเจ้าอย่างระดับพระเจ้าพิมพิสารเวลาพระเจ้าพิมพิสารเวลาตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหม ม, มีมีอยู่สูตรหนึ่งที่ว่า พระเจ้าพ well. ิมพิสารต้องการอยากจะเห็นพระโสดากรณีวิสรที่ว่ามีเท้ามีขนขึ้นที่เท้าท่านก็มีราชโจรการออกไปว่าขออยากจะดูเด็กกุมารในหมู่บ้านนี้ก็ให้เด็กกุมารทั้งหมดเลยในบ้านนั้นห้าคนเข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าเบสเ็จก็ขอดูเท้าแม่ก็บอกว่าเออเวลาเวปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเหยียดเท้าไปทางพระเจ้าแผ่นดินนะว่าเงั้ยนะให้นั่งคัสสมาธิเพชไงายฝาดเท้าขึ้นอย่างนี้ เดี๋ยวพระองค์ปราถนาจะดูฝ่าเท้าเธอก็จะเดอก็จะทรงชมเองนี่เป็นต้นอย่าไปเหยียดเท้าไปทางพระเจ้าเป็นดินนี่นีก็สอนเบสเซ็จใช่ไหมเด็กุโซนะที่เป็นเป็นเป็นเป็นเด็กหนุ่มนี่ก็ไปไปพร้อมกับเด็กหนุ่มทั้งหลายก็นั่งหงายฝ่าเท้าพระราชาดูเบสเร็จก็เทศพระเจ้าพิมสารก็เทศบรรยายเกี่ยวในเรื่องของของนี่แหละเกี่ยวในเรื่องของไอชั้นของคารวะสธรรมทั้งหลาย บัญญายเกี่ยวเรื่องหลักของคารวาสธรรมทั้งหลายก็บรญยญายอบรมพออบรมเบ็ดเสร็จเห็นว่าเออเด็กเรานี้มีอธัธยาศัยเบ็ดเสร็จก็ส่งไปฟ้องพระเจ้าเห็นไหมถ้อุบาสกบาสิกาถ้าทำงานอย่างพระเจ้าพิมพิสารทำนี่น่าชื่นใจนะจะไหมอบรมเบ็ดเสร็จแล้วก็ส่งให้พระอบรมต่อดีไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกเราก็นำอบรมเบ็ดในดักของคารวาธรรมอย่างไหควรปฏิบัติแต่พ่อแม่ยังไงลูกควรปฏิบัติต่อแม่แม่ควรปฏิบัติต่อลูกอะต่างเบ็ดเสร็จใช่ไหมปฏิบัติ หลักการเบ็ดเสร็จก็ให้นี่เหมือนกันเนี่ยทีนี้ในเขาขี้จกูด ต, ตรงนี้ในหลักตรงนี้ก็คือว่าบัรจัดศิกขาเข้าเฝ้าทูลเพราะเห็นจากอบอกว่ามาจากเทพชั้นดาวดึงในใน ส, รสาราทรัพร์มาบอกว่าเท้าสกาได้กล่าวพรณนาคุณของพู้พระเจ้าไว้8ประการนะตัวที่ฟังแล้วน่าชื่นใจพเท้าสกาเนี่ยท่านพระนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หนบอกว่าทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเป็นอันมากเพื่ออนุ ข, ข้อโลกเพื่อประโยชน์และเกื้อกูลความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้ากล่าวเลยไม่สังเกต ด, ดูนะว่าตอนที่พระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆและไปโปรดปัญจาวัคคีย์และวจำพรรษาเละแรกต่อมามีผราละหานุบัติเกิดขึ้น60รูป嘛 พระพุทธเจ้าก็พูดเลยว่าจรร t h พิกเวจริกังพุทชนะอิตายาพุทชนะสุขายะโลกาโนกามบายาเป็นต้นบักดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้เราทั้งหลายเป็นผู้ค้นแล้วเธอทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พระเจ้าบอกเราเนี่ยคือตถาคตกับพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เออบ่วงที่เป็นของทิพย์คืออะไ ร, รอ่ะอะไรคือบ่วงที่เป็นของทิพย์สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสไงของเทวภูมิทั้งหลายอ่ะในเทวภูมิทุกชั้นอ่ะพ้นแล้วไม่ต้องไปรับอีกแล้วไม่ไม่ไปติดข้องแล้วแล้วทั้งที่เป็นของมนุษย์อ่ะเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแท้จริงคือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสนะคือทําอารมณ์เป็นต้นนะแต่ไปสมมุติว่าบ้านขึ้นมาหน้ายินดีไหมถ้าไปเรียกว่ารถขึ้นมาหน้ายินดีไหมเห็นไหมเนี่ย ถ้าไปเรียกว่าบ้านเอยรถเอยซับเอยเงินเอยทองเออยเพชรเออยเนีโหนี่แค่จึงสีเสียงกินรถนะถ้าทำวงเล็กๆงามๆมาใส่ไว้ที่มือแค่นั้นโอ้โหชื่นใจมากเลยนี่ไง น, นี่บ่วงหรือว่าแม้ต้องมาติดที่หูหน่อยพระเจ้ามาก็ถามโยมนี่อะไรนี่ยมที่ติดที่หูเนี่ยก็ต้มหูเห็นไหมเนี่ยถ้าบัญยาิา่โต้มหมูแล้วห้อยเลยนะถ้าบอกว่านี่ก้อนหิน ่วา ก, ก้อนหินเนี่ยเริ่มจะคิดหนักเราลืมบอกเด็กแต่เล็กๆไงนี่ก้อนหินลูกไม่มีค่าไม่มีค่าอะไรเลยแต่ชาวโลกเขาเข้าใจผิดแท้จริงมันก้อนหินหนี่แหละเพราะนั้นอย่าไปอยาป่าไปนิยมชมชอบอะไรเลยถ้าในคําสอนข้าวเจ้าเขาเรียกดินเขาเรียกน้ำเขาเรียกไฟเขาเรียกลมเขาเรียกสีกลิ่นแล้วก็มีรถเขาเรียกเอาวินิโพครูปตัวนั้นแต่ชาวโลกพอไปบัญยัติกันแล้วไปติดบัญญตัตพอติดบัญญัติเอามาใส่หูว่าไงเนี่ยเอามาใส่หู เขาก็เล่าเอมาฟังเขาก็บอกว่าเออมันมีประวัติศาสตร์ในเชิงของอีกมุมหนึ่งนะที่ที่สมัยยุยยาเนี่ยก็าถามให้ทําทไมผู้ผู้หญิงสำไมใส่ใส่ในประเทศไทยเนะี่ยมากจะเจาะและชอบใส่ใส่ใส่ตุ้มหูยาวๆบ้างอะไรบา้างก็เล่าว่าในยุคที่พมา่าในในยุคก่อนคนไทย ก, กลัวัวพม่ามากมาที่ก็มากันไม่กี่คนเขากลัวก็เลยตอนนั้นตอนกรุงสีแตก องศ์วยาแต่คนโบราณเราเอ็มาฟังอันนี้เป็นบาดท้องถิ่นนะมาเบสเซียนนี้เขาจับจับเฉลยจับคนไทยนี่นะนี่บางทีเขามามากันไม่กี่คนใช่ไหมทหารพม่าเนี่ยทีนี้บางทีก็ต้องจับคนไทยเป็นร้อยร้อยร้อยร้อยคนเนี่ยเนะจับจับเป็นร้อยร้อยคนได้ทําไงดีอ่ะบางทีเขาก็หนีเข้าป่าบ้างในขณะที่เดินทางไปก็เลยเอาอยากกันนั้นเลยอ่เจาะหูเลยเจาะหูก็เอาอะไรคล้องเอาเหล็กคล้องหน่อยก็เชือกร้อยเลยดี นี่ก็ไปเงี้ยเขาบองั้นไป ไ, ไปมาแต่นี้มันหูมีรูจะได้ทำไงหลังจากพอระยะหลังนี่เนี่ยก็เลยหาอะไรมาใส่เข้าไแขวนเข้าไปก้อนเลยติดใส่โต้หูกันมาจนทุกวันมอก็จริงก็พอประวัตินี่เขากงั้นนี่เป็นบอดท้องถิ่นก็ปวัตท้องถิ่นน่าจะมีส่วนจริงใครช่วยไปศึกษาประวัติศาสตร์มุมนี้ให้ดูหน่อยถ้างั้นจะเล่กใส่ดีไหมเอ๊ะมีอะไรใส่ได้ใส่หมดเลยนะเออท่านในสมัยในอินเดียใน ในคําสอนในพระไตรปิฎกบางสูตรเนี่ยนะที่เขาใส่พวกแหวนใส่พวกอะไรเนี่ยใส่ทุกนิ้วอ่ะอันนี้การโชว์ความร่ํารวยกันเลยนะเนี่ยใส่ทุกนิ้วบางทีนิ้วหลายวงด้วยเงนะไม่รู้สวยขึ้นมาได้ไงไม่รู้พระเจ้าตรัสวจาราถาพิเวเราเป็นพวกค้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คําว่าพ้นในที่นั้นก็คือระฉันราคาคือความยินดีได้แล้วความเพลิดเพลินความยึดติดเป็นต้นได้แล้ว ประการที่สองทรงแสดงธรรมอันให้เห็นได้ตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นต้นก็ น, นี่คือแสดงพระธรรมคุณทรงแสดงพระธรรมคุณบอกว่าพระธรรมเนี่ยอันเห็นได้ด้วยตนเองนะบอกเป็นเอหิปัสโกเนี่ยไม่ประกอบด้วยการก็คือมารเกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นมาโดยลําดับเลยไม่มีระหว่างขั้นควรเรียกให้มาดูนะบอกว่า ไอ้ควรน้อมเนี่ยควรน้อมเนี่ยควรน้อมโลกรุตระธรรมอะ่ะควรน้อมพริควร น, น้อมโลกรุตระธรรมเข้ามาในจิตนั่ตัวเองเป็นต้นทรงแสดงธรรมมันเป็นกุศลอกุศลแสดงธรรมที่มีโทษไม่มีโทษธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่เลวและประนีดำและขาวอันมีส่วนเปรียบเทียบ น, นี้พระองค์ก็แสดงและพระองค์ก็บัญญัติ ด, ด้วยดีซึ่งข้อปฏิบัติอันจะนำไปสู่พระนิพพานแก่ภาษาวกพระนิพพานและข้อปฏิบัติก็เข้ากัน ได้เหมือนน้าในแม่น้ํำคงคาและแม่น้ํายอรมุนาพวกข้อปฏิบัตินี้เข้ากันได้เลยนะทานศีลเผาทานศีลภาวนาเป็นต้นเหล่านี้พัฒนาก็คือเป็นสิ่งเดียวกันได้เนี่ยทำมาเข้ากันได้นี่นะเช่นเจตนามาเป็นชั้นทา น, จนเจตนาเป็นชั้นศีลเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้คุณธรรมทั้งหลายก็กลุ่มนามมาทำทั้งหลายทานศีลภาวนาก็สามารถประชุมกันได้เข้ากันได้แม้แต่การเจริญเนี่ยพระ อ, องค์สอนการไม่แยกนะ ไม่แยกทางศีลภาวนาไม่แยกศีลสมาธิปัญญาออกจากกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเข้ากันได้ทรงได้สหายคือพระเสกขาผู้ปฏิบัติคือพระริยบุคคลชั้นต่ำกว่าพระอรหันต์และก็พระอรหันต์พูดอยู่จบพรหมจรรย์ก็คือทรงได้พระโสดาบันสกอาธาพระนาคาและได้พระอรหันต์ที่อยู่จบพรหมจรรย์แต่ก็ทรงปลิกพระองค์ออกจากสหายเหล่านั้นนี่คือพระผู้มีภาะเจ้านะทั้งๆ ท, ที่ได้สหายอย่างดีแล้ว ได้ภาพริยะบุคคลแล้วได้พระโสดาบันได้พระสกท า, าคาได้พระนาคาแม้ได้พระหลานแต่พระองค์ก็ทรงหลีกเล้นปลีกตนออกว่างั้นปลีกตนออกจากสหายเหล่านั้นทรงประกอบความยินดีในการอยู่แต่ลําพังพระองค์เดียวไม่ติดข้องด้วยหมู่ด้วยคณะพระองค์มีลาบและมีชื่อเสียงอันเพียบพร้อมมีกษัตริย์เป็นต้นรักใครแต่ก็เสวยพระกยาหารอันปราศจากความมัวเมาเนะ ก็หมายความว่าบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากมายนะถ้าไปในะที่ไหนบางทีกวนนี่ตั้งเป็น10 1สเป็นกิโลเมตรเนี่ยนะเป็นยอดยอนะที่จะน้อมมาส ก, การะมาบูชาพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่เคยมัวเมาในลาบส ก, การะนั่นเลยนี้นี้คือพระผู้มีภาคเจ้านะแล้วก็ทรงพูดอย่างใดก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นประการที่8ทรงข้ามพ้นความสงสยัย ปราศจากความเคลือแคงมีความดำริอันสำเร็จบริบูรณ์แล้วไม่ติดอยู่เพียงขั้นใดขั้นหนึ่งทั้งแปข้อนี้ท้าวส ก, กะกล่าวว่าไม่มีศาสดาใดาจะเปรียบเทียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันต่อมาก็มีแสงสว่างอโอลานะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเลยในขณะนั้นใครสุนังกรุงาแลพรมมาแลก็เนรมิตอัตภาพอันหยากให้ปรากฏ แกเทีบชั้นดาวดึงคือพรหมเนี่ยก็ต้องอัตภาพละเอียดกว่าเทวดาใช่ไหมฉนั้นสุนังก็มาแล้วพรหมเวลามาก็ต้องเนรมิตกายให้หยาบเพื่อจะได้ทําให้เทวดาเห็นเนะี่ยที่เราไม่เห็นเทวดาเพราะเพราะอัตภาพของท่านละเอียดเราจรึงไม่เห็นอัตภาพของเราท่านทั้งหลายเป็นอัตภาพที่หยาบไหมหยาบด้วยนะถ้ากินอาหารมากๆก็ยิ่งหยาบเลยนะียหยาบอย่างน หยาบแล้วหนักด้วยไหมหนักแล้วมึนไหมมึม น, มนเมาด้วยไหมเมาไม้เมาปล่าง่วงด้วยนี่ตรงเนี้ยอันนี้มึนง่วงด้วยเนี่ยอันนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าอาหารหยาบไม่เล่นงานแล้เนี่ยเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ค่อยง่วงนอนอก็ปรากฏแก่เทพชั้นดาวดึงก็ถามทราบความว่ากําลังสนทนาเรื่องอะไรซุนังกุมารและผมก็เล่าเรื่องโชติปารามานพผู้เป็นบุตรของโควินาภา ปูโรหิตของพระเจ้าที่สัมปติผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผูโรหิตแทนบิดาขอางตอนเมื่อถึงแก่กรรมแล้วจนคนทั้งหลายขนานนามว่ามหาโควินทรามองเงก็ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตเจริญรอยตามบิดานีแต่ก็ยิ่งใหญ่มหาโควินทภามันยิ่งใหญ่กว่า บ, บิดานะี่ยในชื่อเสียงเป็นต้นต่อมาเมื่อพระเจ้าที่สัมปติสวรรคตและนุราชราชกุมารผู้เป็นราชโอรสและเป็นพระสหายของมหาโควินทภาม คือเป็นอาจารย์ของพระราชาว่างั้นนะขึ้นคลองราดแล้วขึ้นเป็นคลองราชก็หมายความว่าเนี่ยโอรสนี้ขึ้นขึ้นคลองราดโอรสนี้ก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยของมาหาโวินทพรม์นั่นเองก็ตรัสสั่งให้มาหาควินทพรม์แบ่งนะราชสมบัติ เ, เออเป็นเป็นเส่วนส่วนหนึ่งเพื่อพระองค์อีก6ส่วนก็เพื่อกษัตริย์ราชกุมารอื่นๆที่เป็นสหายรักใคร่กันเจ็ดแว่นแคว้นก็มีควานกาลิงคาก็ราชธา น, นีก็ทันตากุรากเป็นต้น แคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นโสจิกะแคว้นวิเทหะแคว้นอังคะแคว้นกาสีเนี่ยก็มีราชธา น, นีก็มีในะทั้ง7แคว้นหม า, หาควินดาพาม่ะจึงเป็นผู้ที่กษัตริย์ราชกุมารทั้ง7แคว้นนั้นให้ความเคารพอย่างสูงจึงได้ส่งพระราชทรัพย์พร้อมทั้งเครื่องราชบรรณาการมาให้แก่มาหมาควินดาพามผู้เป็นอาจารย์นะท่านจึงเป็นผู้ที่อุดมได้พระกรัพย์บริบูรณ์อย่างมหาศาลเลย ทีนี้ทีนี้นะเมื่อมีความสามารถในการให้คําปรึกษาแก่พระราชาในการปกรครองประเทศก็มีความเจริญราบเรืนเร่นตลอดมาต่อมามีข่าวลือบอกว่ามหาโควินทภามผู้มีความฉลาดเฉลียวสามารถรู้ประโยชน์ในโลกนี้ทั้งหมดได้เพราะมีเพื่อนเป็นพรหมบอเออที่ว่ามหาโควินทภามเนี่ยรู้ประโยชน์ในโลกนี้ทั้งหมดได้เพราะมีเพื่อนเป็นพรหมมีเพียงแต่ประโยชน์ในโลกหน้าเท่า น, นั้นที่ยังไม่รู้ มหมาโคินทรพามอายไหมเนี่ยเกิดความละอายแล้วไม่เคยเห็นพรหมมาก่อนจึงออกกรีกเลนไปตลอดทั้งไตรมาสก็คือ3เดือนเลยเพื่อไปอะไรเพื่อไปเจริญธรรมเนียมเมื่อเพื่อจะต้องการเห็นเห็นพรหมตามข่าวหรือเจริญกรุณาพรหมวิหารก็ไม่เห็นพรหมนะตามที่ตั้งใจไว้จึงเป็นเหตุให้สุนันท์กมาลพรหมเนสนธนากับมหาโคินทรพามตอนนั้นมหาโคินทรพามก็ถึงถามถามถึงประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์ในโลกที่ท่านรู้ทั้งหมดสุนังกมาแลผมก็ลงมาแนะนําให้หมาโควินาพราหม์เจริญกรุณาพรหมวิหารแล้วก็บอกให้ท่านออกบวชจะได้ไปถึงพลบรมโลกหมาโควินาพราจึงตัดสินใจออกบวชเลยตัดสินใจออกบวชให้สังเกตดูนะว่าเมื่อโควินาพราเนี่ยนะทูลลาพระราชาทั้ง7พระนคร น, นี่นะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ พร้อมกับพระราชาทั้งเจพระคนครเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเป็นพระราชาทั้งหลายเป็นเป็นพราม์ของพวกพราหมและก็เป็นเทวดาของมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยนะเขบอกว่าใครจะไอใครจะจามเนี่ยนะี่ยเขาก็จะขอถึงข อ, อนาัสการมหาคุณนพราหมว่วาไง น, น, นี่สังสังเกตว่าเขาศรัทธามากเหมือนอะไรนะเหมือนอย่างคนบางคนถ้าศรัทธาอะไรเนี่ยตกใจก็ร้องเรียกสิ่งนั้นใช่ไหม แต่โดยมากทุกวันนี้เราจะลองพระช่วยบ้างแม่ช่วยบ้างพ่อช่วยบ้างใช่ไหมแต่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าถ้าอย่างเราเป็นพูทธเนี่ยเวลาจะอายะจามต้องพระพุทธเจ้าเนยะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอถึงพุทธเจ้านะ่ั้นใครจะอายะจามจะหกลม้มก็จะเปล่งวาจาข อ, อนามสการมหาโควินทรพรามณ์บ้างเนะี่พระโรฮิไอกรนียงพระราชาทั้ง7เป็นต้นบ้างทีนี้ก็มีคนปฏิบัติตามเนะย มีสาวกปฏิบัติตามต่อมามหาคุณวินาพรามเจริญแล้วมีพระ ม, มิหารสีเป็นอารมณ์มีสาวกปฏิบัติตามได้ผลเป็นนั้นมากนิท่านก็เล่านะเรื่องเล่าของสุนังกุมาลพรในเทวสภาชั้นดาวดึงปัญจสิกาเทพบุตรแห่งคนทานก็เล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์ได้สวยพระชาติเป็นมหาโควินาพรามในครั้งนั้นท่านก็บอกว่าแต่ในครั้งก่อนนั้น ทรงชี้ทางให้สาวกแค่ไปเกิดเป็นพรหมเพราะตอนนั้นตนเองเป็นพระบุษตรใช่ไหมรู้ทางไปเป็นพรหมได้ก็บุคคลที่นับถือตอนเองอย่างมากมายในยุคนั้นออกบวชตามมากมายในยุคนั้นฉะนั้นตนเองก็แนะนําพรหมวิหารแนะนําเมตตากรุณามุริตาก็อุเบกขาเป็นต้นเหล่านี้ยให้สาวกของตอนเองในยุคนั้นก็คือประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมนั่นเป็นได้เกิดเป็นพรหมนั่นบอกไว้นะท่านะ แต่ในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายพระองค์บอกว่าพระองค์แสดงอริยมรรคก็คือแสดงทานศีลภาวนาแสดงศีลสมาธิปัญญานี่เลยอันเป็นไปเพื่อพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่เป็นบรมสุขยิ่งกว่าพรหมโลกนั้นเห็นไหมว่าตรงนี้ก็คือเกติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานก็กระจรฟุ้งไปเนี่ยนะการให้ทานเป็นเครื่องยึดเหนียวด้วยแล้วก็ทําให้ได้มิตรบริวารกล่าวสรรเสริญคุณความดีด้วยและผู้อื่นก็เชื่อฟังด้วย แม้จะสออกบวชก็มีคนบวชตามใช่ไหมเอางี้อามาเนี่ยตอนบวชนี่นะเนี่ยอามาตอนตอนบวชเนี่ยมีคนออกบวชตามนี่เนะียมีอยู่สองคนน่าเกียดไหมมีสองคนเองที่ออกบวชตามมาเนี่ยโอ้โหแล้วคิดดูที่จะ อ, ออกมาจะต้องสร้างบารมีออกมาจะต้องขนาดไหนเนี่ยใช่ไหม ก็ชาติเนี่ยมาออกบวชได้แค่สองคนเองที่ตามมาครั้งแรกเลยนะที่เอามาบวชนี่นะมีมีเพื่อนออกบวชสองคนศึกไปหมดแล้วอันนี้ยิ่งแ ย, ย่ใหญ่เลยเนี่ยออกบวชตามแล้วมีสองคนสองคนศึกหมดแล้วเดี๋ยวนี้ออกไปเราหนดาวดเขาฟุ้งมีลูกมีเมียลาบากยากจนก็อีกไปชวนลูกให้บวชหวงอีกเออแปลกจริงทั้งๆ ท, ท, ที่จนนี่นะเออประหลาดแท้ แล้วบอกคนบวชก็ยังไม่ค่อยได้ผลเนือต่อไปจะต้องให้ทานพร้อมได้บริวารมากๆากไหมอ <laughs> ต้องให้ด้วยความอ่อนน้อมด้ว ย, ยตรงนี้ก็คือผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากคุณธรรมของครหอขัดอันนี้เดี๋ยวไปเชื่อมโยงในการที่จะพัฒนาสู่การที่จะเออตรงนี้คืออย่างนี้เครหอขัดเนี่ยเนี่ยอย่างเราก็เป็นมีคุณธรรมหลายหมวดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใช่ไ สมัยหนึ่งพระรพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานแก่เหยื่อกะแตใครเคยไปราชคลีมมาเลยไปมาแล้ว น, นกรุงราชคลีมมีบุตรข้าวบดีคนหนึ่งชื่อว่าสิงหาลมานุเออบีดาของสิงหาลมานุ เ, เป็นคนมีทรัพย์มากทรัพย์มากก็คือมีทรัพย์อยู่ในเรือนสี่สโกรดโกรดหนึ่งมีเท่าไหร่เท่าไหร่ 10ล้าน40กดนี่เท่าไหร่สี0้ล้านโอ้โหสี่ล้านในยุคนั้นอันนี้ถือมากนะเป็นข่าบดีนั่นเองเป็นพระโสดาบันตั้งมั่นในคุณของพระราตนตรัยนะท่านเป็นพระโสดาบันแม้ภรรยาของเออที่จริงภรรยาของเนี่ยพ่อของ สิงา尔มานพหรือแม่เนี่ยแม่ของสิงคารมานพก็เป็นพระสวสดาบันแต่สิงคมานพเนี่ยไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคือารคิดว่าไม่อยากไปเฝ้าพุทธเจ้าไม่อยากไปเฝ้าพระของพ่อไม่อยากไปหาพระของพ่อหรอกเพราะอะไรการเข้าไปหาพระต้องไปไหว้พระ อ้าจริงๆเข้าไปหาพระต้องไหว้พระไหมต้องไปไหว้พระเมื่อไหว้พระต้องก้มหลังไหมเมื่อก้มหลังก็จะเจ็บหลังอกีกแล้วต้องพกเขา่าเข่าก็ด้านอกีกจาเป็นต้องนั่งบนพื้นเมื่อนั่งบนพื้นผ้าก็จะเปื้อนผ้าก็จะเก่าเมื่อเข้าไปหาก็ต้องสนทนาเมื่อมีการสนทนาก็คุ้นเคยมไหมพอคุ้นเคยต้องนิมนต์อีก พอนิมนต์ก็ต้องถวายถวายจี้วานบ้างถวายบาทบ้างเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไม่เอาเราก็พระของพ่อนี่ยุ่งลองคิดเงี้ยเอ๊ะมีไหมยุกนี้มีคนคิดอย่างงี้ไหมไม่อยากไปหาพระลําบากเออพระนั่งเก้าอี้แล้วต้องนั่งกับพื้นใช่ไหมเจ็บข่าวปวดหลังเวลาจะกราบจะไหวไดต่างๆก็เจ็บข่าเจ็บหลังปวดด้วยตรงนี้ก็คิดเลยบอก เสียทรัพย์ไม่อยากไปหาแล้วว่างั้นก็คือแนะนํำยังไงก็ไม่ได้ผลต่อมาก็คือมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าพ่อพ่อก็กนอนบนเตียงคนไข้ใกล้าตายนะีพอนอนอยู่บนเตียงคนไขใ้ใกล้าตายกนะ็ใกล้ตายแล้วก็บอกปกติลูกๆ ก, ก็ต้องเชื่อพ่อแม่ก่อนได้บอกว่าเออให้ไปไหว้ทิศทั้งผมเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องบนให้ไปไหว้เงี้ยทุกวันทุกวันก็คิดว่าถ้าไปไหว้เงี้เดี๋ยวไปเจอพระพุทธเจ้าเงที่ส่วนจริงเงียนะก็วางแผนไว้เงยก็ได้ผลที่สุดจริงๆนั่นแหละก็เขไปไหว้หลังจากพ่อตายไปแล้วเบียเศ็จก็ไปไหว้ทิศเมื่อไปไหว้ทิศเบียเศมีอยู่วันหนึ่งว่าบรมศาสดาคือถึงคารากามาโนุเข้ามาในข่ายวยาณพระพุทธเจ้าก็ไปไปเบียเศก็ไปโปรดแล้วก็แสดงแก่เรื่องที่วิ น, ยนัยนะวินัยของข้อปฏิบัติของผู้ครองเรือ นะตรงนี้เชื่อมโยงให้เห็นว่ากรณีการให้ทานนะการปฏิบัติเนี่ยนะผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานมีศรัทธาไม่คอนแคนในพระผู้มีภาคเจ้าถึงแม้บุตรนะเป็นต้นนะ่สุดท้ายถึงคารกะมานอกก็ก็เป็นทานบดีมีธรรมที่ไม่ห่างเหินจากคารวาสทั้งหลายเล้วทาพิจารณ า, างี้ก็คือจะบอกว่านั่นแหละผู้ที่ให้ทานทั้งหลายก็จะไม่ห่างเหินจาก รมของคาะวากผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นนี้ในตาาดับประการที่จะกล่าวในครั้งนี้ตอนจะหมดเวลานเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสัพพิสธานถ้ามองอย่างนี้นะว่าผู้ให้ทานด้วยความเลื่อมใสเขาเรียกว่าศรัทธาทานศัทธายะทานนางเทติเนี่ยให้ด้วยความเลื่อมใสเชื่อกรรมและเชื่อผลของการการะทำ ผลของารทางชนิดนี้เกิดในภพใดเนี่ยเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากพร่างพร้อมด้วยการมาคุณอย่างมหาศาลมีรูปร่างสันฐานงดงามหน้าดูหน้าเรื่มใสผิวพรรณวัฒนะร่างกายก็เปล่งปลังโทษของการให้ด้วยเม่ศัทธาเป็นยังไงรู้ไมเป็นผู้มีโภค้าน้อยไม่ให้ทานแต่ไม่มีศรัทธาในการให้มีโภค้าน้อยมีรูปร่างไม่สมสัสดส่วนนะไม่งาม แล้วกระผิวพันหยากระด้างเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือโทษประการต่อมาคือสักกัจจทานสักกัจจังทานนางเทติผู้บริจาคทานด้วยความเคารพทั้งกระทำตนเองและทายาธรรมให้สะอาดหมดจดเคารพในทายาธรรมในเจดนาเคารพในปฏิฆาหกคือผู้รับเป็นต้นเหล่านั้นด้วยความนอบน้อมเนี่ยผลของทานชนิดนี้เกิดในภพใดเป็นผู้มั่งคั่งด้วยนะมีทรัพย์มาก นั่งพร้อมไปด้วยความการมาคุณอย่างมหาศาลบุตรก็ดีภรรยาสามีทานบริวารบุคคลที่เกี่ยวข้องญาติมิตรทั้งหลายย่อมเชื่อฟังค่อยคำเอาอกเอาใจไม่ขัดใจในการงานรูปการเราได้ฐานะนี้ไหมให้สังเกตดูนี่นะีได้ไม่ได้ถ้าใครได้แสดงว่าเขาจเจริญทานกุศลก้อนนี้ถ้าโทษแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้โดยให้โดยไม่เคารพเป็นผู้มีบริวารไม่เชื่อฟัง มีทราบจริงเกิดความขัดแย้งเกิดความขัดแยง้งมีความคิดไม่ลงรอยกันมีลูกก็เถียงพ่อเถียงแม่ไม่ไม่ทาตามใจแล้วมีสามีก็ไม่เชื่อฟังมีภรรยาก็ไม่เชื่อฟังใ ห, ใหม่ก็มองกันนีมีลูกน้องเป็นไงก็ไม่เชื่อฟังนีรับหลังก็โกงนี้เป็นภรรยาหรือ เนี่ยนิมการให้แบบนี้เป็ น, นกาลาทานกาเลนาะทานังเทติบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การผลของทานชนิดนี้เกิดในพบใดก็มั่นคงมีซัพย์พลังพร้อมในการคุณลมีความเจริญทั้งสามวัยนะทั้งปฐมวัยมาชิมวัยและปัจฉิมวัยก็คือเ น, น่นๆมุมหนึ่งแต่ผลของทานเนี่ยถ้าเราตั้งจริงๆบุคคลตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกนะเราไม่ได้ปรารถนาตรงนี้แต่มันมาอยู่แล้วว่าประกอบเหตุผลก็ต้องได้อยู่แล้ว อคันตุกะท า, านการให้ทานแก่บุคคลที่มาจากที่ต่างๆถ้าคำนี้กทานการให้ทานแก่บุคคลที่จะไปตามที่ต่างๆคีลานะทานก็ให้ทานแก่บุคคลที่ป่วยไขย้อันนี้เป็นการละทานนะเจอคนป่วยคนนี้นนะทุพิกทานก็คือการให้ทานแก่บุคคลที่ประสบภัยทั้งหลายอุทกภยัวภยวารภัยต่างๆที่เรานิยมให้กันบ่อยๆนวะพราทานก็การให้ผลไม้ใหม่ในฤดูการนั้นๆหรือข้าวนะ ให้สังเกตดูนะว่าการลทานที่ชัดเจนก็เอาประวัติของท่านโกนธัญญามาชัดมามาไข้ควรนั่นแหละทําไมท่านอัญญากนธัญญาได้บรรู้ธรรมเป็นท่านแรกเราก็จะเห็นว่าท่านเริ่มคิดตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่ข้าวเริ่มตั้งท้องอ่ะเริ่มจะตั้งท้องเริ่มปลูกข้าวเริ่มตึกและพอข้าวกราลามจเจริญเติบโตก็เริ่มคิดแล้วเออเราจะให้ทานเราจะให้ทานแล้วจะเป็นน้นํานมออกมาเมื่อไหร่นรนะจะได้ให้ทานเป็นต้นเหล่าเนี่ยอันนี้เป็นการลทานนะ เป็นการให้เออเหมาะสมแก่การที่เราจะให้เหมาะนี้เวลานี้จะทําอะไรดีจะไปปรุงทําอะไรได้เนี่ยก็ไปทําปรุงไปทำตรงนี้เขาเรียกโทษของการไม่ให้การาฐานให้เป็นบุคคลที่มีชีวิตในวัยเด็กกระแลนแค้นครอบครัวไม่สมบูรณ์เป็นต้นในปฐมวัยเป็นต้นเนี่ยมัดฉิมวัยต่างๆนี้จนปัดฉิมวัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนั้นก็คือแล้วแต่เนี่ยนิรักเนี่ยของไม่มีการาฐานก็การเวลาที่ผ่านมาเราก็เดือดร้อนด้วยซัพย์ เดียดล้อนด้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายอนุขหิตาทานอนุคหิตะจิตโตทานังแทติเป็นผู้ไปจากทานด้วยการสละอย่างแท้จริงไม่ยึดติดไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หวงไม่อะไรในวัตถุอนุเคราะห์จริงๆให้โดยการอนุเคราะห์สละขาดให้โดยสละขาดผลของทานชนิดนี้เกิดในพพใดๆก็มั่งทั้งพร้อมในการมาคุณมาสาร จิตก็น้อมอยู่ในการที่จะสวยกา ร, รมาคุณที่ตอนอยู่อย่างพระสุขไม่ใช่เป็นแค่คนเฝ้าซับนี่ ไ, ไคือว่าได้ทรับมาแล้วไม่ใช่แค่เฝ้าแล้วแต่เนี้ยก้าเอาสละแล้วก็ทำความดีแล้วก็มีการที่จะสละออกได้กล้าสละออกได้ถ้าอย่างนั้นถ้าให้ทานมาแล้วมีรับนี่นะบางคนเนี่ยให้สังเกตแต่เราใเป็นแค่คนเฝ้าอามากห้สังเกตยินนะว่า เออบางคนเนี่ยชอบเก็บอของขอภัยเนี่ยอาจจะไปกระทบจะเก็บของในบ้านไว้เต้เป็นของเก่าๆนี่นเก็บไปเต็มหมดเลยเอาไว้ดูเอาไว้เฝ้าเฝ้าดูแล้วก็เบ็เสร็จก็ไม่ไม่กล้าสลาดเนี่ยเขาเขายึดของเขามากโวแล้วรู้ราคารู้วันที่เลยนะมึงดีจบเขียนไว้หมดจาทุกชิ้นเลยจําทุกชิ้นเลย ไม่กล้าสลัหวงมากยึดติดมากถ้าอย่าวาเอามาขอเล่าเร า, าเล่าเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งถึงกดกดขึ้นเนีน่ยแต่แต่ไม่เอ่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ควรอยากคิดนี่หมายถึงพระนะเออท่านก็มีไอ้ปั้นน้ำชาสมัยก่อนมีราคามากคือคือท่านท่านอยู่ในตำแหน่งสูง ที่จริงท่านท่านคงไม่ใช่ว่าหวงเพราะเพราะว่าเป็นของท่านนะมันเป็นสมบัติของสงฆ์แน่ น, นะคงนี่ท่านก็แต่มันก็หวงอะ่ะคื อ, ค, อคือหวงแทนสงฆ์แต่นี้ยอมที่ดูแลใช่ไหมยอมที่ดูแลก็จะต้องเอามาถวายท่านท่านก็อืม ถ, ถือดีๆหน่อยราคาแพงตั้งแต่รัดชวงอะไรใช่ไหมของไอ้ถ้วย ช, า, ชาไอ้ชาอะไรนั่นก็คอยคอยบอก ไอย้อมที่เป็นวิยุวิกรคอยดูแลเนี่ยถือที่ดีเนะ้เนี่ยราคาไม่ธรรมดาเนี่ยก็ตื่นขึ้นนี่มีวันเนี่ยย้อมเนี่ยไปทําแตกไปทําแตกทีนี้ก็ท่านก็ยังไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นท่านก็ขึ้นรับตําแหน่งสูงในคณะสงฆ์ไทยแล้วเป็นอดีตนานแล้วนะสูงสุดนะ่ะโอ้ทําไงแล้วแทบใจแทบขาดแล้วทําปั่นน้ําชาแตกคาน์าดใช่ไหม คานเข้าไปากา็กราบทูลบอกว่าบอกปั้นน้ําชาแตกไปแล้วท่านอึกอยู่แป๊บหนึ่งท่านบอกหายใจโลง่งออลองออกไปทีคือท่านโง่คือนได้สละออกแล้วชื่นใจอ่ะนะโอ้ล่งออกเปทีก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใครเคยหัวขนาดนี้มาเนี่ยคือปีญะทาน น, นนะน่ะไม่ทันสลานแตกก่อนนี่สิใช่ไหม นันต้องรีบสละก่อนที่มันจะแตกหรือเราจะแตกก่อนมันเลยนะกลับไปก็ไปดูเสื้อของเก่าๆสละให้หมดสิเขาอันนี้พูดถึงใจอามาเนะี่ยใครสละไม่ได้ก็จะไปหาพายุสละเดี๋ยวมันมีอยู่ลายหนึง่งก็มาเล่ า, ามาฟังอามาก็เล่าเรื่องสละพอเล่าไปเล่ามาก็บอกเนี่ยออกข่าวมาที่เชียงใหม่เ น, น, นี่ยทำบุนจนตอนเนี่ยไปนอนพาดนอนไม่มีคนดูแลท่านจะว่างไง เามาแล้วเอามาจะว่าไง ก, ก็เป็นไงแล้วทาไงใช่ไหมเออแล้วเป็นไงเนี่ยข่าวเขาออกบอกอดีได้ยอมนี่ไงบุญให้ผลกัเธอแล้วเธอไปดูใหม่เธอเพอข่าวออกแล้วองค์กรต่างๆช่วยเหลือเพียบเลยตอนนี้ดูแล้วนี่เป็นบุญนะเนี่ยนี่ไงอันนี้สงการให้นี่แหละอันนี้สงการให้ยังไม่รู้อีกยอมบอกอ๋อกลับจะไปเล่นงานพ้าพาร์เลยฟาร์เย้อนกลับนี่ไง คนไทยเนี่ยขอให้ออกออกออกทีวีสักครั้งหนึ่งเธอะหน่วยงานองค์กรต่างๆวิ่งกันตาเหลือกตาตั้งไปแล้วไปดูแลทุกวันนี้ดูแลอย่างดีนะเนี่ยเหมือนที so, like ่ที่หรือรายหนึ่งจังหวัดสุพรรณนี่ก็เหมือนกันเธอเเชิญกรอบให้ทานให้แล้ให้ไปให้มาเรียบร้อยหมดหมดตัวแบบให้แบบไม่รู้เรื่องนี่นะให้ให้ทานยังให้ผลนะอย่าได้ฟังนะให้ทานกุศลในนี้ทานให้แบบไม่รู้เรื่องยังให้ผลได้ ให้ใหไป ห, ห, ห, หมดนะก็นะก็ไปนอนสมได้ถุนวัดนะเรียบร้อยเดี๋ยวก็มีไปถ่ายเขามีร้องไปนะครับไปถ่ายโอ้โหเดี๋ยวนี้อยู่อย่างดีเลยมีคนดูแลอย่างดีมีพยาบาลพิเศษด้วยเนอะซึ้งแต่ก่อนเนี่ยลูกหลานพากนันหนีหมดแล้วไม่มีใครดูแลเลยทั้งๆเป็นคนมีซับพอพอเก็บเอาซับไปหมดถูกพากนันหนีหมดทีนี้พอทีวีออกข่าวปุ๊บแต่เนี้ยพอมีซับมีคนเก็บว่าลูกหลานมากันเพียบเลยเห็นไหมเนี่ย <kanske S 1> ฉะนั้นรัพย์ทานอกุศลมันให้ผลยังไงก็ให้นะแต่ถามทําไมยังเป็นอมภาะพาันคนละเรื่องกันแน่แน่เนี่ยมันคนละกรรมแล้วฉะนั้นต้องแยกอมาพภะพันมาจากการเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ก็แยกแยกให้ถูกนะที่สุดจริงๆให้ก็ได้ผลเป็นทรัพย์แต่จะให้ผลเมื่อไหร่เร้่องนี้ว่าอันที่นี้นอนุประหัตจะทานนะอนุประหัตจะทานังเทติก็หมายว่าเป็น ผู้บริจาคทานโดยไม่มีการกระทบกระเทือนตัวเองกับผู้อื่นหมายว่าการกระทบกันเป็นมันนะเป็นทิฐิเป็นทิฐนะิน้อยบางมากบางกระทบซึ่งกันและกันต่างๆในภพต่อๆไปก็เป็นผู้นะ่นแหละเพียบพร้อมได้กรรมคุณทีนี้จะทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะปลอดภัยจากอักคีภยัยอุทกาภายัยราชภายัยจรภยัยเห็นไหม ให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นแต่ถ้ากระทบละ่ะถ้าให้ทานแล้วกระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยให้ทานยาน ก, กระทบตนเนี่ยสละนลักษณะนี้ก็จะเจอภัยเหล่านี้ตามมาเพราะผลของการกระทบตนและบุคคลอื่นน่แหละก็ทำให้ได้ภัยต่างๆนันก็จะตามมาอุทกภัยเอวยวายภัยอาคีภัยต่างๆแบบนี้น ฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าในการบําเพ็ญทานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพะพุทธเจ้าเนี่ยท่านบริจาค น, น, นี่ยท่านบอกทานมีการให้เป็นลักษณะกําจัดโลภะในทายธรรมเป็นกิบเพราะว่าสมบัติวิภพอวะสมบัติเป็นอาการปรากฏวัตถุที่คนบริจาค ก, ก็เป็นประทัด ฐ, ฐานไปทำที่จะเป็นเครื่องบ่มเพาะโพธิญาณของพระผู้มีพระเจ้าของบริษัททั้งหลายนี่เนี่ยเาเรียกวัตธถธากาละธรรมสิปการ มีอยู่ในมนุษยภูมิและกระเดราฉานภูมิเป็นส่วนมากภูมิเหล่านั้นสามารถบําเพ็ญทานบารมีเป็นต้นได้ง่ายกว่าทุกภูมิเป็นภูมิที่ให้ความและความทุกข์พอประมาณสามารถใช้ปัญญาพิจารณาพระโพธิสัตว์ท่านก็การบริจาคเครื่องบุคคลเป็นทานบารมีนะอนุข้อสัตว์ทั้งหลายเป็นทานบารมีถ้าบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่ภายในภายนอกเพื่อประโยชน์แก่บบุคคลอื่นมีนการอันให้เป็นทานอุปปารามี ถ้าการให้ชีวิตก็เป็นทานะพรม a m a บ t h a b a l a m a y a อธามปัญหาเชื่อ